พวกพยาบาลพวกหมอโอ้โหลงพอ่อขอสักค่าด้วยเทิาเอาทำไมเพราะห้องที่แปดเนี่ยเป็นห้องไอซียของฉนน่าจะมีสพานเชื่อมห้องไ c u มามหาตึกหนีไฟด้วยพอจะเอาขึ้นจะเอาลงคนห้องไ c u หลวงพ่อเออห้าชั้นอพอต่อมาอีกโอ้โหลุงพ่อคนป่วยทุกชั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีน่าจะน่าจะมีสพานเชื่อมทุกชั้น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 ส่งผนวดพราะพ พ, พุทธองค์ทําไมจึงหนีไปบวชจึงส่งผนวดพระอง์ไม่รู้จักความสุขเหรอในเมื่อตัวเองคลองราชสมบัติกลุลงบินระพัดบริบูรณ์หมดทุกอย่าง เ, เพราะว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ทําไมจึงหนีไปบวชอยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่ในป่าเป็นคนขอทานไม่มีบริษัทบริวารอยู่ตามลําพัง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 แต่เราไปทํากรรมไม่ดีเอาไว้อย่างไปฆ่าคนอย่างเนี้ยแต่เมื่อเราฆ่าไปแล้วเนี่ยพอตํารวจเขาสืบทราบได้นั่นแะเราก็ต้องวิ่งหนีคดีความเลย เ, เขาจะจับเข้าคุกเข้าตารางบางทีเขาจะวิสัญญีเอเขาจะฆ่าเราทิ้งอีกต่างหากเนี่ยเราก็เป็นทุกข์อีกแล่วแต่เนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะเราทํากรรมไม่ดีเอาไว้เพราะนั้นท่านจึงว่า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 กทุกท่านในพรรษานี้ที่จะถึงเนี่ยพรรษา2555ันห้ารอยหวันเข้าพรรษากับวันวันที่สามวันอัสารหบูชาคือวันพระใหญ่ก็คือวันที่สองสิงหาคมสองพอยห้าแต่วันนี้เป็นวันที่22กรกฎาคมจากนี้ไปก็ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้คิดวางแผนการสร้างคุณงามความดีในพรรษานี้พศนี้ ว่าเราจะเตาอะไรบ้างในพรรษาที่จะถึงนี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทคำว่าพุทธบริษัทคานี้คําว่าบริษัทเนี่ยแอบคล้ายๆว่าบริษัทจำกัดบริษัทมหานชนจำกัดอันนี้พุทธบริษัทจากัดเราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นพุทธศาสศานิกชนของพระพุทธเจ้า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 ตามที่เราจะนั่งได้หรือวเราขึ้นไปนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ให้ต่มกว่าพระที่เราพระประธานเราขึ้นไปนั่งเก้าอี้เ็จแล้วก็ปน ม, มือนะเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งขัดสมาธิกว่าเถิจะนั่งพับเพียบกว่าเถิดหรือจะนั่งเก้าอี้ก็เถิดเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานั่งปน ม, มือขึ้นในระหว่างไหวครูซะก่อนพุทโธ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 แสดงว่าสติเราขาดแต่ช่วงนั้นเราต้องตั้งต้นใหม่ อ, อีกนี่แหละอันนี้วิธีการที่พวกเราจะรู้ได้ว่าสติของเราดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีนับถึงร้อยไม่ขาดถูกบวกพ่องนี่แหละอันนั้นแปลว่าสติของเราเริ่มดีไปเรื่อยๆนะถ้านับทีไรไม่เพลดอเป็นร้อยเป็นพันหลายสิบๆครั้งก็ไม่เผลอแสดงว่าสติของเราเข้มแข็งดีนะ